กลงวันนี้ฝนตกหนักนะน้ำก็เลยท่วมแต่ว่าไม่ได้ท่วมหนักเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยก่อนพอถึงหน้านี้เนะี่ยเดือนกันยานี้ก็ท่วมเป็นประจำนะบางทีก็ต้องถึงกระยับถึงกับอบพยบครัวนะเข้าของต่างๆ บางทีน้ำก็ท่วมไปถึงศาลาใหญ่เดี๋ยวนี้ดินฟ้าการก็แปรเปลี่ยนไปแม้ว่าปีนี้ฝนจะนตกอยู่กับทุกวันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักหนาเหมือนกับเมื่อก่อนอีกสาเหตุหนึ่งที่น้ำท่วมบ่อยสมัยก่อ น, นก็เพราะว่า ยังไม่ก็มีการยกปรับที่เท่าไหร่ตะกอนถนนแล้วก็สะพานต่ำกว่า น, นี้มากนี่พอถมถนนให้สูงขึ้นทำทางรอบสาให้สูงขึ้นสะพานสูงขึ้นก็เลยไม่ค่อยเจอน้ำท่วมเท่าไหร่ อย่างที่บอกไว้แล้วสมัยก่อนนี่มันอย่างถ้าเราข้ามสะพานจากฝั่งนี้ไปสารานอกเนี่ย<ม>ก็ต้องทุรักทุเลเพอสมควรเพราะว่าน้ำขึ้นสูงสมัยก่อนน้าก็สมัยก่อนสะพานก็เป็นขอนไม้ขอนไม้หลายๆขอนมามาต่อกัน พอน้ำท่วมก็คอรไม้ก็ลอยเท่งเตงเวลาเราเดินข้ามสะพานก็ต้องเดินเหยียบเดิเดินกดคอนเอาไว้หรือว่าจากไปบินธบาดก็เหมือนกันนะแต่ก่อนก็ไม่ได้อาศัยถนนเส้นที่อยู่หน้าวัดนะจะไปกุดงงก็ต้องเดินลงไป ้าไปในหมู่บ้านสักหน่อยแล้วก็เดินเข้าไปวกกลับไปสะพานก็เป็นสะพานไม้ขอนก็เวลาเดินข้ามสะพานนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากทั้ไม่ว่าจะเดินข้ามสะพานระหว่างสารานอกกับสาราไกหรือว่า จะเดินไปบิถุนบ้านนี่เขาต้องใช้ความระมัดระวังแต่ว่าก็มีรสชาตินะมันได้รสชาติของวัดป่านะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับธรรมชาติน้ำท่วมเราก็ต้องก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเดินระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้เหยียบตกสะพาน บางทีเดินไปดีๆนี่ถ้าเหยียบไม่ดีจมหายไปเลยนะแต่เดือนนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาสะพานสูงก็เดินได้สบายไม่ต้องระมัดระวังก็ได้ก็ยังเดินข้ามไปได้อันนี้ก็ในแง่หนึ่งก็เป็นความสะดวกสบายแต่ในแง่หนึ่งก็ขาดนะขาดการขาดโอกาสที่ได้ฝึก ให้เดินอย่างมีสติเดินด้วยความระมัดระวังแลการที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่ไม่มีการไปดัดแปลงธรรมชาติมากนักเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าข้อดีคือว่าได้ฝึกนะฝึกที่จะทําใจฝึกหลายอย่างนะฝึกให้มีสติด้วยกับการเดิน เดินยังไงถึงจะไม่ให้ตกเดินยังไงถึงจะไม่ให้พลิกนะไม่ว่าจะเป็นไม้พลิกหรือว่าเท้าพลิกอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกแล้วก็ฝึกทำใจสมัยก่อนเรียกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเทคโนโลยีมีน้อยไฟฟ้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอถึงกลางคืนนะธรรมชาติก็บังคับให้เรานอนแต่หัวค่า แล้วก็ตื่นขึ้นมาอาจจะตื่นมาเช้าหน่อยก่อนพาทิตขึ้นแต่เวลาบินธบาตนะ์ก็บินธบาต์โดยอาศัยดูแสงอาทิตย์มันก็มีเวลาที่ไม่แน่นอนหน้าร้อนก็บินธบาต์เช้าหน่อยหน้าหนาวก็บินธบัต์สายไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาอันนี้มันต่างากับชีวิตในเมืองไงชีวิตในเมืองนี่ก็เรียกว่าไม่ค่อยได้อิงกับธรรมชาติเท่าไหร่อิงกับ เข็มนาฬิกามากกว่าอาการที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติอันนี้มันก็มีข้อดีคือมันเป็นการฝึกฝึกใจให้รู้จักทาใจบ้างมันไม่สะดวกสบายก็ทำใจเอาแต่สมัยนี้นี่เรามีเทคโนโลยี เราก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปไ ป, ไปดัดแปลงสิ่งแวดล้อมไปควบคุมธรรมชาติควบคุมทิศทางกระแสน้ำไหลมันก็ได้ความสะดกสบายแต่ว่าก็ขาดโอกาสในการที่จะฝึกใจหรือทำใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำใจเลยพอมีปัญหาอะไรขึ้นมา ก็คิดแต่จะไปจัดการกับสิ่งว่าร้อมภายนอกคนในยุคนี้ยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยเลยเพราะในเมืองจะติดนิสัยแบบนี้ก็คือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะไปก็คิดแต่จะไปแก้ไขสิ่งภายนอ ก, ก, กนานอากาศร้อนแทนที่จะทำใจก็ติดแอร์ซะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องฝึกทาใจอะไรแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีนี้แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับสิ่งภายนอกจัดการกับผู้คนถ้าคนมีปัญหาเลยก็จัดการแก้ไขเขานะแทนที่จะมาฝึกใจตัวเองเสียงดังหรืออ่าก็ไปทำให้เสียงไปดีเสียงให้มันค่อยลอยนะ แต่ที่จะว่าเออเราจะอยู่กับเสียงดังได้อย่างไรอันนี้มันก็การที่เราไม่ได้ฝึกทาใจเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าพอเราคิดแต่ไปแก้ไขสิ่งว่าล้อมรอบก็เคยตัวและปัญหาบางอย่างนี่มันไปจัดการกับสิ่งภายนอกไม่ได้อย่างเช่นง่ายๆรถติดเนี่ย รถติดนี่เราก็ไม่มีปัญญาจะไปบังคับบัญชาให้รถมันเคลื่อนเร็วขึ้นหรือว่าไปเปลี่ยนสัญญาณจรา จ, จรจากแดงเป็นเขียวทําทำไม่ได้ก็ต้องทำใจนะจนกว่ารถมันจะเคลื่อนได้แต่นาาคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฝึกที่จะทำใจแบบนี้นะเพราะนั้นก็รู้สึกหมุดหิดกระสับกระส่าย คนสมัยนี้คอยไม่เป็นนะเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ไปเปลี่ยนแปลงจัดการกับสิ่งววดล้อมอะไรที่มาชา้าเราก็ไปเร่งให้ทำเร็วขึ้นนะทุกอย่างก็ทันใจเดี๋ยวนี้สามารถที่จะบังคับหรือว่าจัดการให้ลดลา ต่างๆนี่มันมาได้ทันใจหรือว่าจะเป็นอย่างในบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟนี่เขาแล่นตรงเวลามากเป็นนาทีเลยนะ38นาที37นาที27นาทีเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขกลมๆนะ23นาทีเนี่ยเขาก็มาตรง แปดโมง53านาทีก็53ามเป๊ะเลยไม่มีตัวเลขกลมๆว่า9โมงห0สหรือว่า10โมงไม่มีอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายที่ทำให้เราจัดการกับชีวิตได้สะดวกขึ้นแต่มีปัญหาคือพอรถไม่ตรงเวลาหรือว่าพอเราต้องรอหน่อยบางทีรอนาทีหนึ่งก็ไม่ได้แล้วก็กระสับกระส่ายขึ้นมา ถ้าเนีนมันเป็นยุคที่เราถูกมันอยู่ในยุคบริโภคนิยมด้วยนะอยู่ในยุคบริโภคนิยมเนี่ยนะทุกอย่างสามารถจัดจัดการได้นะเพียงแต่เรามีเงินนะถ้าเรามีเงิ น, นะ เ, ร เ, งนเราซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเราก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ผมงอกนะผมไม่ผมไม่ม ไ, มไม่สลวยนะก็จัดการได้ซื้อของซื้อเครื่องประทินโฉมซื้ อ, อเครื่องสิ่งท่าบางชนิดนะเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนี่แก้ปัญหาได้หมดาสมัยก่อนมันทำางาั้นไม่ได้นะก็ต้องทำใจนะผิวเหวย่วนก็ทำใจนะ แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะจัดการได้กับทุกอย่างรวมทั้งสวดทรงก็ไปผ่าตัดเสริมทรงต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เสริมสร้างนิสัยของการดักแปลงสิ่งภายนอกหรือสิ่งนอกตัวมากกว่าที่จะฝึกให้เราทำใจ นะซึ่งมันก็มันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงหรือจัดการกับสิ่งแวดล้ลอมภายนอกได้ตลอดเวลาแต่ปัญหาคือว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราดัดแปลงไม่ได้จัดการไม่ได้อย่างที่ผู้ยติยามเมื่อกี้เรื่องรถติดเป็นต้นหรือแม้แต่อย่าว่าเรื่องไกลตัวเลยไม่ได้เรื่องตัวเราเองมันก็จะมีบางอย่างที่เราจัดการไม่ได้แม้แต่แม้จะใช้เทคโนโลยีก็าตามเนะช่นความแก่นะ ความเจ็บแล้วก็จุดซ้ายสุดท้ายก็ความตายอันนี้ไม่มีทางที่จะจัดการหรือว่าเปลี่ยนให้เป็นอื่นไปได้ยังไงก็ต้องเจอรวยแค่ไหนก็ต้องเจอยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องเจอรวมทั้งความพัดพลากด้วยความพัดพลากจากสิ่งรักจากคนรักนะอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้ไม่มีใครที่สามารถที่จะควบคุมจัดการไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้ ยังไ ง, งไงก็ต้องเกิดไม่ชา้าก็เร็วแล้วบางทีก็ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวอาจจะเกิดหลายครั้งแต่เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกทําใจไว้เลยพอมันเกิดขึ้นก็ก็เลยเป็นทุกข์ทุรนทุรายยอมรับไม่ได้เจอความแก่ยอมรับความแก่ไม่ได้ก็ดิ้นรนที่จะหาทางทำให้หนุ่มเสมอหรือทำให้ความแก่มันชะลอลงซึ่งก็ทาได้นิดหน่อยนะ แต่ว่าก็ไม่มีทางยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เกิดเอาอะไรก็ตามที่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิธีเดียวที่จะรับมือก็คือทาใจยอมรับมันหรือว่าอ้าแขนต้อนรับมันเลยเสมือนกับเป็นมิตรแต่ถ้ามองมเป็นศัตรูหรือว่าพยายามหนีมันก็มีแต่จะเป็นผู้แพ้อย่างเดียวถ้าคนสมัยนี้ก็เป็นผู้แพ้กับความจริงที่หนีไม่พ้น นะความแก่ความเจ็บและความตายแม้แต่ความเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ใช่ว่าเราจะสามารถจะพึ่งพาเทคโนโลยีได้เนะป่าถึงจุดหนึ่งนะความในเทคโนโลยีเช่นยามันก็ไม่สามารถจะบรรเทาไดนะ้ทุกวันนี้นี่ก็ยังไม่มียาใดที่จะช่วยบรรเทาแผลไฟไหม้ ความเจ็บจากแผลไฟไหม่ได้ไดดีนะไมเกรนเอ่ยมันมีความเจ็บปวดหลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะบรรเทาได้ด้วยยาเนะนี่นก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันโดยเพราะในยามที่ใกล้าตายเนี่ยทุกคนเวทนาความเจ็บปวดนี่มันก็รุมเร้านะ ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะทําใจหรืออยู่กับความเจ็บปวดได้ก็จะทุรนทุรายแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ฝึกใจเพื่อที่จะรับมือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บป่วยหรือว่าทุกทางกายเท่านั้นแต่ว่าทุกใจด้วยความความแก่ความเจ็บป่วย บางครั้งมันก็ไม่ได้ทําให้ทุกกายมากกว่ทุกใจเลยเพราะเมื่ออยอมรับความจริงไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงความตายนะชาวคนสมัยนี้กลัวความตายมากนะเพราะว่าไปคิดว่าจะสามารถควบคุมบังคับบัญชาชีวิตได้สามารถจะชะลอความแก่ได้แล้วก็หวังยังหวังว่าจะเอาชนะความตายได้หรือว่า ไม่ได้คิดถึงความตายเลยอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อที่ที่แล้วว่าอาย่แบบหลงตายอยย่แบบลืมตายนะพอเจอความตายเขาก็รับมือไม่ไหวทําใจไม่ได้นะก็ยังคิดอยู่ยังคิดที่จะต่อสู้กับมันนะเพราะว่าเราถูกฝึกมาจนเคยตัวว่าทุกอย่างจัดการได้ทุกอย่างแก้ไขได้หมายถึงการจัดการกับสิ่งนอกตัวด้วยเทคโนโลยีบ้างด้วยการจัดการบ้าง ความคิดว่าทุกอย่างจัดการได้ทุกอย่างแก้ไขได้เนี่ยมันก็ทําให้ไม่ร็วที่จะทําใจแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันก็มีบางอย่างมีปัญหาในชีวิตที่แก้ไขไม่ได้จัดการไม่ได้ก็มีสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือทําใจแต่พอทําใจแล้วมันก็ไม่กลายเป็นปัญหาต่อไปปัญหานี่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเรามองว่าเป็นปัญหา แต่พอเราไม่มองว่าเป็นปัญหามันก็ไม่ทาให้เราทุกข์ต่อไปนะคนที่ม า, าบางคนเขาก็มาที่ศาลานี้เขาก็มองว่าโอ้พื้นเป็นรูนะพื้นเป็นรูรูจะเป็นรูตะปูก็ตามหรือว่ารอยแตกก็ตามพอเขามองว่ามันเป็นปัญหานะ เขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จะคิดหาทางว่าทำไงถึงจะอุดรูตะปูถึงจะอุดรอยแตกพวกนี้ให้ได้ซึ่งถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ารูหรือว่ารอยแตกนี่มันมันไม่ใช่เป็นร้อยนันเป็นพันเลยนะทั้งพื้นทั้งเสานะก็จะไม่มีความสุขกับการที่จะมานั่งอยู่บนสารลาตั้งแต่พวกเรานี่ก็ไม่ได em ม, มันเป็นปัญหานะไม่ได em เป็นปัญหาก็เราก็ พอไม่เป็นปัญหาใจก็ไม่ทุกฉนั้นปัญห า, าจริงๆบางครั้งเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นพรเรามองว่าเป็นปัญหาคนสมัยก่อนก็จะไม่อาจไม่ได้มองว่าความแก่ความเจ็บเป็นปัญหาด้วยซ้ําคือเป็นธรรมดานะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าความแก่ความเจ็บคือปัญหาและเมื่อเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้ไขแต่ว่า พอแก้ไขไม่ได้อันนี้แหละทุกเลยนะตรงนี้แหละที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทําใจนะเดี๋พรในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามหนีเวทนามากหมายถึงทุกขเวทนาทางกายนะแล้วมันก็แปลกนะคนสมัยนี้สามารถที่จะหนีทุกขเวทนาทางกายได้แต่ปรากว่าไปเจอทุกขเวทนาทางใจแล้วคนสมัยนี้ถึงทุกขใจมากกว่าคนสมัยก่อน อันนี้ไม่ไม่มันมีตัวชีวัดเยอะแยะนะเช่นปัญหาโรคจิตปัญหาโรคประสาทนะความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งดังที่คนสมัยก่อนก็มีความทุกข์ทางกายเยอะนะเพราะไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาอำนวยความสะดวกให้แค่ขนน้ำเนะี่ยแค่เรื่องน้ำท่านี่ก็ต้องขนกันนะตื่นแต่ชอบไปขนน้ำกันมา ต้องแบกสมัยก่อนไม่มีรถเข็นด้วยซ้ําก็ต้องไปแบกนะต้องไปหามเอาแต่ว่าความทุกข์ทางใจก็มีน้อยสมัยนี้ทุกขเวทนาทางกายนี่น้อยนะเพราะว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแล้วก็มียามีอะไรสารพัดปวดหัวนิดหน่อยก็กินยาเราก็เลยไม่เรียนไม่เรียน ร, รู้ที่จะฝึกทําใจว่าเออเราจะอยู่กับความเจ็บปวดได้ยังไง อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าในที่สุดเราก็ต้องหนีมนันไะม่พ้นนะถ้าไม่อย่างน้อยที่สุดก็ตอนตอนใกล้จะตายนะตอนที่อยู่ในระยะสุดท้ายก็จะต้องเจอทุกขเวทนามากไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นโรคไตาวายนะไอความเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยนะหมอก็จนปัญญาเหมือนกันนะช่วยได้นิดหน่อยบรรเทาได้นิดหน่อยตรงนี้แหละที่ต้องใช้ ต้องใช้ใจเข้ามาถ้าทําใจได้จําทําใจถูกเช่นมีสติหรือว่ายอมรับมันอย่างที่มันเป็นก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่ฝึกทําใจไว้แล้วก็จะมีอาการดิ้นจิตกระสับกระสายไม่สามารถยอมรับความจริงได้ไม่สามารถยอมรับความเจ็บปวดได้นันก็จะร่ำล้องหาแต่ยาว่าเมื่อไหร่จะมียาที่จะมารักษาที่จะบรรเทาพอไม่มียาก็จะยิ่งทุกข์ใหญ่ แต่ความทุกข์นั้นเป็นความทุกข์ใจนะเป็นความทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์กายทุกข์กายก็แค่หนึส่วนนะแต่ว่าทุกข์ใจเนี่ยบางทีมันเป็นมันคูณ2คูณ3ด้วยซ้ำนะและทุกข์ใจเจกิดจากอะไรทุกข์ใจเกิดจากเจตที่ยอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้จิตที่ดิ้นแต่ทันทีที่ทําใจได้ยอมรับมันได้หรือบางคนใช้คําว่าสิโลรากนะยอมรับมัน อาการทุกข์ใจก็ก็คลายไปก็เหลือแต่ทุกทางกายทุกทางกายนี่มันอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในหลายกรณีก็หนีไม่พ้นแต่ว่าเมื่อไม่ทุกข์ใจแล้วมันก็ความทุกข์ก็คลายอันนี้ก็รวมถึงความตายด้วยนะคนที่พยายามที่ จ, จัดการกับทุกอย่างในชีวิตพอเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้จัดการไม่ได้เช่นความตายนะก็จะ ทนไม่ไหวรับรับไม่ได้ก็จะดิ้นจะหนีพยายามยื้อชีวิตเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็เท่ากับทาให้มีความทุกข์มากขึ้นแต่เมื่อได้ก็ตามที่เรายอมรับได้ว่าถึงเวลาก็ต้องตายนะแม้บางคนอาจจะต้องตายด้วยวัยที่ไม่มากเท่าไหร่แต่เมื่อมันมาถึงแล้วก็ยอมรับได้เมื่อยอมรับได้ความตายก็คลายพิษสงลงไปเพราะว่าความตายมันน่ากลัวเนื่องจากคนกลัวตาย เมื่อความกลัวมันหายไปคลี่คลายไปวความตายก็ไม่น่ากลัวอย่างที่เคยเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกด้วยเนะีการที่เราฝึกทําใจเนี่ยสำคัญมากนะก็การที่มาอยู่วัดป่าอย่างนี้นะมันก็ช่วยทําให้เราฝึกทําใจหลายอย่างเพราะว่าในหลายอย่างก็จะไม่ไม่ถูกใจเรานะ่ บางครั้งก็ต้องเจอกับพวกมแมลงสารพัดชนิดนะซึ่งคอยตย่คอยตอมคอยคอยคอ ย, คอยกัดคอยอทําให้คันบางทีเราฝึกเอาเอาศัยสิ่งพวกนี้เป็นครูได้พวกมแมลงเหล่านี้นะอลองให้มันกัดดูบ้างลองให้มันให้มันเจาะดูบ้างนะแล้วก็ดูว่าเออเราจะอยู่กับเวทนาได้อย่างไร เดินไปแล้วก็มีมดกัดมีมดไต่ก็ให้มันกัดไปแต่ก่อนเราก็จะพยายามปัดพยายามไล่นะซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าลองให้มันกัดดูแล้วก็ดูว่าเออเราจะรับมือกับมันยังไงนะเราก็สามารถจะค่อยๆเรียนรู้การที่จะอยู่กับทุกขเวทนาอยู่ความเจ็บปวดได้มันเป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ไม่ได้ เหนือบา ก, กว่าแรงบางทีก็ต้องหาเรื่องให้มันให้มันหาเรื่องใส่ตัวด้วยนะชเช่นเดินจงกรมนะเคยพาคนเดินจงกรมถอดรองเท้าเดินเหยียบบนกรวดหินที่ทิ่มแทงแถมยังมีมดนะเป็นเป็นสิบนะหอยไต่เพราะาฝนตกมดมันขึ้นก็ดูมันไปไม่ต้องปัดดูมันนะเราจะอยู่กับมัน จะอยู่ความเจ็บปวดได้อย่างไรปกติคนเราก็อยู่ได้นะถ้าใจสู้แต่ว่าพอใจไม่สู้ใจมันโวยวายใจมันขยะกขยแยงตั้งแต่แรกแล้วก็อดไม่ได้ที่จะปัดนะพอใจไม่สู้แล้วกายก็ไม่สู้ด้วยแต่พอตั้งสติเออให้มันกัดก็กัดไปดูมันนะดูดูกายดูหัวใจที่เต้นเร็วดูปากที่เม้ม ดูตัวที่เกรงอ่าพอรู้มันก็คลายดูใจที่มันพยายามผลักใสพอเห็นใจที่มันพยายามผลักใสเห็นใจที่มันกลัวพอรู้ว่ากลัวพอรู้ว่ามันดิน้นอ่ามันก็นิ่งสงบไปดูเวทนานะดูเวทนาที่เกิดขึ้นความปวดที่เกิดขึ้นเห็นมันเฉยไม่เป็นผู้ปวดมันก็แค่ปวดกายแต่ไม่ปวดใจนันะ เพียงแค่มันกัดอย่างเดียวนี่สามารถจะเห็นได้3อย่างเลยคือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะถ้าคนที่เก่งกว่านั้นก็สามารถเห็นธรรมได้ด้วยนะก็เรียกว่าได้กําไรนะเพราะว่าได้เรียนระู้จากการที่มดกัดนะยุงกัดฝนะึกได้หลายอย่างอาจารย์พุทธทาท่านยิ่งกว่า น, นั้นอีกนะ ท่านสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ น, นี่ก็ต้องก่อสร้างเองนะก็ต้องหยิบค้อนมาตีตะปูบางทีตีตะปูแล้วก็ตีผิดก็ไม่ได้ถูกตะปูไปถูกนิ้วก็ร้องนะก็ปวดบางทีไม่ร้องแต่ปวดนะท่านก็ไม่ท้อนะท่านก็ลองฝึกดูว่าเออเราจะฝึกว่าแม้ตีผิดเนี่ยไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ทําทใจให้เป็นปกติเท่านั้นนะแต่ยังสามารถยิ้มได้ด้วยสามารถหัวเราะได้ด้วยแล้วก็ทาจนทําได้นะพอตีตะปูผิดถูกถูกถูกนิ้วนี่ท่านหัวเราะเลยนะอันนี้ก็ฝึกได้นะก็ต้องเริ่มต้นจากการที่อยู่กับเวทนาฝึกทําใจกับสิ่งเหล่านี้ ทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็สอนมาเรื่องการทําใจแต่ไม่ได้หมายความว่าทําใจอย่างเดียวนะบางครั้งเราก็ต้องอทํากิจหรือว่าแก้ปัญหาด้วยที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไปจัดการกับปัญหาแต่ว่าทุกวันนี้เราไปจัดการกับสิ่งนอกตัวเยอะจนกระทั่งเรื่จัดการกับใจของเราเราก็ต้องทำให้มันสมดุล น, นะด้วยการหันมาจัดการกับใจของเราก็คือทําใจ และถ้าทําใจแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไปเสริมนะกับการทํางานไปเสริมกันได้ก็คือว่าทําเต็มที่นะแต่ว่าแม้ไม่สําเร็จก็ไม่ได้ทอ้อก็ทําใจได้ทําใจความล้มเหลวแต่ถามว่าท้อไหมถามว่าเลิกไหมไม่ไมเลิกก็ทําต่อไปอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างนะคุณป้าวัยเกือบเจดบในเกาหลีใต้อยากได้ใบขับขี่ไปสอบใบขับขี่ สอบมา700กว่าครั้งก็ยังไม่ได้ก็ยังสอบอยู่นะแกไปสอบเกือบทุกวันเลยไปขายผักเสร็จขายผักเสร็จก็ไปสอบแล้วก็ระบบการสอบของเกาหลีใต้เนี่ยมันเรียกว่าไม่ถึงกับเข้มงวด น, นะแต่ว่ามีความโปร่งใสามากเพราะฉะนั้นการจะโกงข้อสอบการจะใช้เส้นหรือว่าการจะยัดเงินแบบเมืองไทยนี่ทาได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลย ของเมืองไทยเราสอบสองครั้งไม่ได้ก็ยั ด, ยดเงินละหรือไม่ก็ใช้เส้นนะระบบแบบนี้มันไม่สอนให้คนมีความเพียร น, นะแต่ว่าของเกาหลีใต้นี่เขาเข้มงวดมากแล้วก็เขาโปร่งใสเพราะนั้นเนี่ยถ้าสอบไม่ได้ก็ต้องสอบใหม่เอาคุณเป้านี่แกก็สอบมาตั้งแต่ปี4 8สอบแทบทุกวันนะสอบข้อเขียนนะสอบให้ได้แค่30ข้อนะ60สคะแนนแกก็ผ่านแนละ้วแต่แกสอบไม่ได้ แกก็สอบแล้วสอบเราสอบแล้วสอบแล้วสอบเรา700กว่าครั้งสอบไม่ได้แกก็ทําใจนะแต่ถามว่าทําใจแล้วแกแกเลิกไหมก็ไม่เลิกนะควรไปเข้าใจว่าถ้าทําใจคือว่าอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยนี่มันไม่ใช่มันมันย er ังไม่ใช่ทําใจแบบพูธนะทำใจแบบพูดนะคือว่าทําเต็มที่นะแต่ว่าไม่สําเร็จก็เออก็ยอมแต่ว่าถามว่าเลิกไหมไม่เลิกทําใหม่ ไม่ใช่ว่าจํานวนต่อชะตากรรมแกก็สอบไปสอบไปสอบจนกระทั่งครั้งที่9ก้าร้อยกว่าเก้าร้อยห้าได้มั้งสอบได้นะเป็นข่าวไปทั่วโลกนะคนก็ดีใจกันอย่าย ว, ว่าแกสอบได้เพราะลุ้นกันมานานแล้วอันนี้ก็เรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็ได้นะแต่เป็นบทเรียนที่ดีมากว่าแกเป็นคนที่เรียกว่ามีความเพียรดยที่ไม่ไป ไม่ไปหวังพึ่งพาความสาเร็จมากคือความเพียรต้องทำเต็มที่แต่สาเร็จหรือไม่สาเร็จนะก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยคนเราถ้าทำใจแบบนี้ได้นะก็คือว่าไม่ว่าไม่ว่าผลจองมายังไงก็ยอมรับแต่ว่าไม่เลิกทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็ตรงกับคติของพระมหาชนกนะพระมหาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆนะพระมหาชนกเรือแตกนะอยู่ลอยคออยู่กลางทะเล ทำยังไงล่ ะ, ะก็ต้องไหว้เข้าฝังถามว่าเห็นฝังไหมพระมหาชนนบอกไม่เห็นฝังเลยนะแต่ก็ไหว้ไหว 7, 7, 7, 7, ้เจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่เห็นฝังนะที่จริงไม่ได้ไหว้อย่างเดียวก็มีมีไ ม, ม, ไม้มีอะไรเกาะติดมาด้วยแต่ไหว้มาเจ็ดวันเจ็คืนแล้วไม่เห็นฝังก็ยังไหว้ต่อจนกระทั่งพระอินทร์ร้อนอาดแล้วนะก็ต้องให้นํางมณีเนคขาซึ่งเป็นมีหน้าที่เฝ้าทะเลมามาช่วยนะ นามนีเมฆคาาเห็นพระมาชนกไหวอยู่ก็เลยถามพระมาชนกว่าท่านไหว้ทำไมนะมีประโยชน์อะไรที่จะไหว้ตัวแรกถามว่าท่านไหวทำไมนะในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพระมาชนก็บอกว่าแม้มองไม่เห็นฝั่งแต่เราก็เห็นประโยชน์ของความเพียรนามนีเมฆลาก็าถามต่อไปว่าเพียรแล้วมีประโยชน์อะไรเนี่ยในเมื่อไหวแบบนี้ก็ตายแน่แน นะไม่เห็นฝั่งเลยพระมาชน ก, ก็ตอบว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องทําความเพียรเต็มที่เมื่อทําความเพียรแล้วแล้วตายนะก็ไม่มีใครตําหนิไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรหรือเทวดานะท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราต้องทําความเพียรนะแม้ว่างานแม้ว่าจะไม่สําเร็จนะจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์แ ห, แห่งความเพียรที่จะเกิดขึ้นกับตน อันนี้เรียกว่ า, าทําใจได้เหมือนกันนะคือว่าสําเร็จไม่สําเร็จนะฉันก็พร้อมยอมรับทุกอย่างแต่ฉันไม่เลิกฉันก็จะทําไปเรื่อยๆถ้าเราทําใจแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ไม่ละทิ้งความเพียรเนี่ยนะย่อมย่อมก่อผลย่อมเกิดผลในที่สุดนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เฉพาะแต่การ แก้ปัญหาทั่วๆไปนะแต่รวมถึงการปฏิบัติทำด้วยมันจะเกิดผลยังไงนะเราก็ยอมรับปฏิบัติมาเจ็ดวันแล้วเ อ, อยังไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ทำใจยอมรับได้แต่ไม่เลิกนะยังทำต่อนะจะเรียกว่าทำแบบปล่อยวางก็ได้คือปล่อยวางจากความคาดหวังในผลนะ หรือถึงแม้มีความคาดหวังในผลแต่ว่าเมื่อผลออกมาแล้วมันไม่ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะไม่สำเร็จล้มเหลวอ่ะก็ทำใจอันนี้แหละคือการทำใจในพุทธศาสนานะซึ่งไม่ได้แปลว่าทำใจแล้วก็งอมืองอเท้านิ่งไม่ทำอะไรนะมันก็ต้องก็ต้องทำจนได้ แต่บางครั้งเนี่ยมันถาหากเรารู้ว่าทําไปแล้วมันไม่เกิดผลนะหรือว่าเกิดผลเสียนะก็ต้องรู้นะต้องฉลาดในการที่จะไม่ทํานะเพราะว่าบางครั้งการทําต่พืชต่พื้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพียงแต่ไม่เกิดผลดีเท่านั้นแต่มันเกิดผลเสียอันนั้นก็ควรฉลาดที่จะไม่ทํานะอย่างเช่น เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาในในโรงหนังเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแต่คือนะีแตคือวิ่งเอาไว้ก่อนนะแต่คนที่มีสตินี่เขาจะไม่วิ่งไว้ก่อนเขาจะอยู่นิ่งๆนะพอถ้าวิ่งไปแล้วนี่เดี๋ยวมันเหยียบกันตายนะเขาจะรอดูว่าคนนี่วิ่งไปทางไหนนะเขาก็จะรอดูก่อนแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแอบแอบไว้ที่ผนัง พราว่าเกิดคนแห่วิ่งไปแล้วไม่เจอทางออกก็ยองวิ่งกลับมานะถ้าไปไปไปยืนอยู่กลางทางก็โดนเขาเหยียบตายนันก็ต้องแอบแอไว้แต่จะเห็นคนวิ่งแล้ววิ่งไม่กลับมาแสดงว่าเขาเจอทางแล้วเราก็ตามไปให้ในายาวิเคราะห์นี่บางทีมันต้องนิ่งนะต้องนิ่งไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะจะต้องตะพืตะพือทําโน่นทํานีอนานนะ่อันนั้นกลับตายเป็นอันตราย มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าไปไหว้น้ําอยู่กลางทะเลแถวระยองแถวสมุยไหว้ไปไหว้มาโดนคลื่นซัดออกจากฝั่งไปเรื่อยๆมันมีคลื่นที่คลื่นอยู่ใต้น้ำนะที่ซัดคนออกจากฝั่งพยายามไหว้กลับเข้าฝั่งก็ไหว้ไม่ได้เพราะคลื่นมันแรงมากกระแสะน้ํามันแรงมากไหว้จนหมดแรงเพื่อนที่อยู่ริม ใช่หายก็พยายามไหวมาช่วยแต่พอรู้ว่าพอเจอคลื่นพอเจอกระแสน้ำมันซัดไปไกลมากเนี่ยก็ต้องถอยอผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้แล้วว่าถ้าไว้เข้าฝั่งเนี่ยมีแต่จะหมดแรงตอนนั้นก็คิดอย่างเดียวว่าตายแน่ตายแน่ทำงานก็ทำใจนิ่งยอมรับได้ยอมรับว่าตายก็ตายไม่ดิน้นไม่ขัดขืนทำใจแล้ว ก็กลัวกลายเป็นดีนะเพราะว่าพอพอลอยตัวไปสักพักมันก็ก็หลุดออกจากกระแสน้ํานั้นได้กระแสน้ํานั้นมันเป็นกระแสน้ําแคบแคบนะตอนนั้นเขาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แต่ว่าหลุดออกมาได้ก็โดนคลื่นซัดเข้าฝั่งอ่าตอนนี้มีกําลังใจก็เลยค่อยๆไหว้เข้าฝั่งเพื่อนที่เห็นอยู่ก็เลยรีบมาช่วยไม่งั้นก็ตายไปแล้วเพราะหมดแรงนะ องนี้เขาก็ามีเคล็ดอยู่ว่าเนี่ยถ้าเจอเคลื่นแบบนี้นี่จะไปไหว้เข้าฝั่งต้องไหว้ขนานกับฝั่งก็อาจจะออกจากกระแสน้ําได้อันนี้เขาก็เป็นเพราะเานิ่งเขาทาใจแล้วเขาก็รู้ว่าไหว้ไปก็ไม่ ม, มีประโยชน์มายถึงไหว้เข้าฝั่งนะก็อยู่นิ่งๆดีกว่าในการอยู่นิ่งๆมันถีมก็ช่วยได้และบางครั้งเนี่ยการอยู่นิ่งๆนะถ้าอยู่นิ่งๆแล้วก็ ไม่รู้จะทำอะไรนะก็ทำใจสบายสบายไว้นะหลวงอาจารย์อาจารย์พรหมวังโสท่านเคยเล่ามีโยมคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเคยเป็นทหารในในพมา่าแกเล่าว่าตอนครั้งหนึ่งเนี่ยทหารทหารอังกฤษเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆ เ, เป็นกองร้อยเล็กๆนะออกราดตะเวนแล้วขณะที่กำลังนั่งนั่งพักอยู่ปรากบว่า มีสายมารายงานว่ามีกองทัพญี่ปุ่นนะกองเป็นกองพันุ์เลยอยู่แถวนั้นแล้วก็กําลังมุ่งหน้ามาที่กองร้อยนะของอังกฤษตกใจกันใหญ่เพราะว่าถ้าสู้ก็แพ้แน่นะคนในกองคนในกองร้อยก็คิดว่าหัวหน้าจะสั่งลุยนะแต่หัวหน้าบอกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่านอกจากอยู่เฉยเฉยแล้วก็สั่งให้ลูกน้อง ต้มชาต้มชากินระหว่างที่รอนะลุงน้องก็แปลกใจว่าทำไมหัวหน้าไม่สั่งลุยนะกินชาไปได้สักพักนะก็มีสายมารายงานว่าเอา้ากองพันนั้นเดินผ่านไปแล้วก็เลยลอดตายอันนี้เขาก็เล่าเพื่อเห็นว่าหัวหน้าเขานี่สติดีมากเพะในสภาพเช่นนั้นเนี่ยถ้าลุยไปก็ตายเปล่า อยู่นิ่งดีกว่าแต่ไหนๆอยู่นิ่งแล้วอยู่ไปทำไมเปล่าๆล่าก็กินชาซะเลยให้สบายๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่ทํทำใจนะนะแล้วก็ทำใจโดยไม่มีความวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ฝากเอาไว้อะแค่ น, นี้หละกลักบมา พ, พร้อมกัน